1. การบอกคืนสิกขาด้วยคำเป็นปัจจุบัน14บทวงเล็บหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กระสันไม่ยินดีปรารถนาจะศึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นครหอขัดปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระสัยะบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้และเป็นการบอกเคินสิกขาวงเล็บสองอีกประการหนึ่งภิกษุกระสันไม่ยินดีปรารถนาจะศึกอึดอัดเบื่อนายรังเกียจเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นครือขัสปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระสักกยบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมวงเล็บสาภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า ข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์วงเล็บสี่ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าบอกคืนศิกขาวงเล็บห้าภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าบอกคืนพระวินัยวงเล็บหภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าบอกคืนพระปฏิโมกขวงเล็บเจ็ดภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าบอกคืนอุทเทศวงเล็บแปดภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า ข้าพเจ้าบอกคืนพระอุปัชาวงเล็บเก้าพิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าบอกคืนพระอาจารย์วงเล็บสิบพิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าบอกคืนสัทธิวิหาริกวงเล็บสิบอ็ดพิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าบอกคืนอันเทวาสิกวงเล็บสิบสองพิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าบอกคืนภิกษุผู้ร่วมอุปัชาวงเล็บสิบสามิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่า ข้าพเจ้าบอกคืนภิกษุผู้ร่วมอาจารย์วงเล็บ14ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้าบอกคืนเพื่อนพรหมจารีภิกษุทั้งหลายแม่อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้และเป็นการบอกคืนศิษขา